นั่งภาวนานั่งฟังเทศอย่างไรนั่งภาวนาอย่างไรก็นั่งฟังเทศอย่างนั้นนั่งตามสบายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงรำลงสติให้มั่นหลับตาปิดหูไม่ต้องส่งสัญญาอารมณ์ออกมาฟังภายนอกน้อมเอาธรรมะของท่านไปฟังไว้เฉพาะใจ เรารับสาเรารับศีลเิ น, เ ร, เ, น <c oughs> เราออกไปพักอยู่ที่ห้องโน้นมีญาติโยมพูดว่าอยากเป็นเทวดาญาติโยมพูดอยู่ <c oughs> เขาทาบุญอะไรไม่รู้ฉันจะได้เป็นเทวดาอย่างนั้นฉันจะได้เป็นเทวดาอย่างนี้ <c oughs> ถ้าจะเป็นเทวดาต้องมีศีล เราอยากเป็นเทพบุะวเทพธิดาผู้ชายเป็นเทพบระวดผู้หญิงเป็นเทพธิดาต้องมีสินห้าอย่างน้อยให้บริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราเมลัยไม่พูดปดทั้งห้าข้อนี้เป็นเทวธรรมธรรมของเทวดา ผู้ที่จะไปเป็นเทพผบุตรเทพธิด า, าแต่ละชั้นแต่ละชั้นหรวอาจะชั้นจะตุม่มชั้นดาวเรืงชั้นยามาชั้นฤาษีชั้นนิ ม, มานรดีตลอดส่งพรมมโลกท่านจ้องมีศีลห้าบริสุทธิ์มีศีลห้าบริสุทธิ์จึงค่อยจะได้เป็นเทวดาดังนั้นสทธยายุ่มทั้งหลายอยากจะเป็นเทพผู้บุตรเทพธิดาทียัง <c oughs> ไม่ตายแล้วแต่ว่าต้องให้มีเทวธรรมธรรมของเทวดาฉะนั้นถ้าเรามีศีลห้าถ้าเรารับจากพระคุณเจ้ารับจากหลวงปู่หลวงตาไปแล้วเราปฏิบัติอยู่ในศีลห้าอยู่ในกรอบของศีลห้าไม่ฆ่าสั์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติ ผ, ผิดในการามไม่พูดบดไม่ดื่มสุราเมลยัยเราก็จะเป็นเทวดา ในร่างมนุษย์ร่างกายอาจจะเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจของเราเป็นเทวดาคือว่ามนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราเป็นเทวดาฉะนั้นศีลห้าจึงมีอนุภาพมีคุณาอนานันต์อเนกอนันต์มากท่านกล่าวไว้ท้ายศีลศีเลนะสุขติยันติบุคคลที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ข้เพาะศีล เหรียญณภคะสัมปทาบุคคลจะมีภคทระสับสมบัติมากมายได้ก็เพราะศินเพราะว่าจะมีสมบัติพัฒน์สถานมากมายได้ก็เพราะอาศัยการค้าการขายการค้าการขายถ้าเราไม่มีศินไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจก็จะหาคนที่จะมาซื้อขายกับเรายากดังนั้นเราต้องมีศินให้บริสุทธิ์ ทีเรนนั่นนี่ผู้ติัยันติบุคคลที่จะไปพระนิพพานได้เขาเพราะศีลดังนั้นศีลจึงมีอนุภาพต้องรักษาต้องปฏิบัติถิ่นเป็นรั้วกัน้นรั้วกัน้นถิ่นเป็นรั้ว ถ, ลลถ้าเรารับถ้าเรารับศีลไปแล้วเรามีรั้วบ้านนีรั้วบ้านของเราถ้าแข็งแรง สมบัติพัดสถานที่อยู่ในบ้านของเราก็จะไม่หายไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีใครที่จะมาลักขโมยของเราได้เพราะรั้วเราดีแต่ถ้ารั้วพังเมื่อไรรือว่าหักรั้วขาดรั้วเป็นช่องเป็นอะไรเมื่ อ, อไรโจรผู้ร้ายก็จะเข้าลักเข้าหาป้นเข้าสารพัดเอาของของเราไปได้ฉะนั้นเราต้องรักษาล้วให้ดีที่สุดเมื่อรั้วเราดีของก็จะไม่หาย เรารับสินจากพวกคุณเจ้าแล้วอเหมือนกับมีทรัพย์สมบัติเพชรนินจินดาเข้าของเงินทองก็จะผุดขึ้นในเวลาที่เรารับสินแล้วรั้วของเราดีไหมมันสินของเราจะขาดไหมถ้าสินของเราขาดมันก็รั้วมันพังถ้ารั้วมันพังแล้วก็สมบัติที่มีอยู่ในนั้นก็จะอันตรธานหายไปดังนั้นเราต้องรักษาสินให้บริสุทธิ์ แต่ถ้าเราอยากเป็นพระอริยเจ้าเหมือนกับนางวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขานั้นท่านมี <c oughs> อุปนิสัยรักษาศีลมาตั้งแต่อายุเกตขวบเป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่อายุเกตขวบเป็นพระโสดาบันนั้นท่านปิดอบายภูมินะปิดอบายภูมิทั้งสีได้ไม่ตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นอสุรกายไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน เกิดขึ้นมาเป็นพระอริยเจ้าแล้วจะต้องมาเวียนบ่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติจากสวรรค์ลงมามนุษย์จากมนุษย์ขึ้นไปสวรรค์จากสวรรค์ลงมามนุษย์อย่างช้าเกิดชาติท่านก็จะไปนิพพานเหมือนกับหลวงปู่หลวงพอ่อหลวงตาหลว ง, งปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสายชีดหลวงปู่มั่นท่านเป็นไม่ต้องสงสัยท่านท่าน มีอธิมีกระดูกเป็นแก้วมดแต่และองค์หมายสงกิท่านบริสุทธิ์แต่นั้นเราต้องมีศีลอยากจะปิดอบัยภูมิของตัวเองไม่อยากไปเกิดในตกนรกเป็นเปรตธุลกายสาัตว์หรือฉันเราต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็ศีลสิบมีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาด มีกายบริสุทธิ์ว่าจารบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ <c oughs> ์มันก็แยกออกมาจากสินหานี่แหละ <c oughs> กายไม่ฆ่าสัตว์กายไม่ลักทรัพย์กายไม่ประพฤติผิดในกามผิดลูกผิดผัวผิดเมียใครเราก็เป็นกายบริสุทธิ์แล้วกายสะอาดแล้วกายผ่องใสแล้วแล้วก็ไม่โกหกไม่พูดคาหยาบไม่พูด สอเซียดไม่พูดเพ้อเจ้ออันนี้ก็ว า, าจาของเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วไม่เศร้าหมองไม่ขาดวาจาก็บริสุทธิ์ส่วนจิตใจไม่คิดโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนไม่กิจชาริษยาพยาบาทใครไม่โกรธไม่เครียดใครและไม่ <c oughs> และเห็นถูกตามธรรมนองของธรรมกายกรรมสามวิกิกรรมสี่มนวกกรรมสามนี้ อยู่กับผู้ใดมีอยู่กับผู้ใดผู้นั้นก็จะปิดอาบายื่อหุ้มของตัวเองไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเกิดเป็นเปรตหรืออสูรกายแล้วก็มีสมาธิพอสงวนสมาธิคือความตั้งมั่นภาวนาคือทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ทำความตั้งมั่นให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิต ให้จิตนิ่งจิตมีสมาธิจิตมีเป็นหนึ่งจิตอารมณ์เป็นหนึ่งที่เราว่าเอกัคตาจิตเอกัคตาลมเมื่อจิตนิ่งจิตมีสมาธิจิตนั้นก็จะมีความสุขมีปิติเกิดความสุขและเอกัคตาจิตกอวงนั้นก็จะมีพลังมีพลังของสมาธิ เมื่อเอาพลังอันนี้แหละไปพิจารณาในด้านปัญญาก็าจะลึกซึ้งก็จะละเอียดทั่วจะเข้าใจง่ายดังนั้นเราต้องฝึกถ้าอยากจะปิดอวัยวภูมิของตัวเองอย่าลืมให้มีกายกรรมสามวิีกรรมสี่และมะโนกรรมสามเมื่อสามอย่างนี้ <c oughs> บริสุทธิ์ไม่ดังพร้อยไม่ขาดเราก็จะมีสมาธิ บำเพ็ญสมาธิไหวพระสวดมนต์อะไรต่างๆที่เราทำประจำของหองพระนั่งสมาธิขาดขวาทับขาดซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงลงํารงสติให้มัน่นให้อยู่ในอารมณ์เดียวเป็นเอกาตาลมให้อยู่เป็นจิตดวงเดียวคือเอกาตาจิตดูลมหายใจเข้าพูดดูลมหายใจออกโทพูดโทรพูดโทรอยู่อย่างนั้น ตั้งสติคือความระลึกได้รละลึกรู้อยู่ที่ปลายจมูกรู้ลมหายใจเข้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็เห็นหายใจออกก็เห็นหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจเข้าและออกอยู่อย่างนั้นจิตของเราก็จะนิ่งจิตของเราก็จะสงบเมื่อจิตของเราสงบไม่มีอารมณ์มารบ ก, กวนเราก็จ ะ, ะเกิดความสุข นิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อความสงบเกิดขึ้นความสุขมันก็เกิดขึ้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นปิติสุขเอกคตามันจะเกิดขึ้นจิตของเราก็จะมีพลังของสมาธิจิตของเราจะมีสมาธิจะมีพลังได้ต้องนิ่งต้องสงบต้องปราศจากอารมณ์ร่างกายของเราจะมีพลังได้ก็ต้องอาศัยออกกําลัง เต้นแรงเต้นกะเอ็กซ์เซซไซอะไรต่างๆวิ่งจอกกี้อะไระสารพัด <c oughs> ต้องให้ร่างกายของเราออกกําลังอยู่เรื่อยๆมันยังค่อยจะมีพลังพลังกายนั่นแหละจะเป็นภูมิต้านทานโรคภัยใกล้เจ็บนิดๆหน่อยๆก็จะไม่เป็นไรภูมิแพ้ภูมิมอะไรก็จะหายดันั้นอยากจะให้ร่างกายมีพลังต้องออกกําลังเป็น สิงที่จะต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ส่วนจิตใจของเราอยากจะให้มีพลังใจเราต้องนิ่งต้องสงบต้องปล่อยวางทั้งหมดจึงค่อยจะมีพลังใจเกิดขึ้นได้เมื่อพลังเกิดขึ้นในใจของเราเอาพลังตัวนี้แหละไปต่อสู้ชีวิตคือการต่อสู้เราไม่ได้ไปสู้ลบตบมือกับใครหรอกเราสู้กับอำนาจไฟต่าหรืออารมณ์ที่อยู่ในใจของเรา เรียกว่าภาษาพระเราเกลีตันหาเกลี1 5พันห้ากันหาร้อยแปดอะไรต่างๆมันอยู่ในใจของเราเยอะเมื่อเรามีพลังจิตพลังของสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมโมลบริบูรณ์เราก็จะความโกรธเกิดขึ้นเราก็หยุดได้เบรกได้หรือระงับยับยั้งได้ความโลภเกิดขึ้นเกิดอยาก ได้ของคนอื่นมาเป็นของโดนอะไรเราก็ระงับยับยั้งตัวเองได้ความลาก ะ, ะตัญหามานะทิฐิอะไรเกิดขึ้นเราก็ระงับยับยั้งของเราได้ฉะนั้นเราต้องฝึกกิจให้มีพลังเมื่อกิจของเรามีพลังมันก็ต่อสู้กับอารมณ์ของเราชนะใจของเราได้การที่จะชนะใจตัวเองได้เหมือนกับชนะคนทั้งโลกท่านร่้อย่างนั้น ดังนั้นเราต้องฝึ ก, กจิตควบคุมจิตดูแลจิตเอาใจใส่จิตชําระอารมณ์ออกจา ก, กจิตจิตตรงนี้ต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้ไม่ฝึกไม่ได้ถ้าไม่ฝึกปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตามอานาจของกิเลสตัณหามันก็วุ่นวายมันก็วุ่นวายปล่อยให้เราทุกข์ปล่อยให้เราสารพัดจะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายวุ่นวี่วุ่นวายต่างๆขัดข้องเนอวุ่นวายเน้อขัดข้องเน้ออย่างนั้นอย่างพระยศะท่าน ประธานพระพุทธเจ้าก็เคยประธานขัดของเนอบุญวายเนาสารพัดเะฉะนั้นเราต้องฝึกฝึกให้มีคุณธรรมฝึกให้มีศีลธรรมฝึกให้มีจริยธรรมถ้าฝึกให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเมตตาธรรมขันติธรรมฮลิโอตาปธรรมเหล่านี้ถ้าไม่มีอยู่ในใจของเราแล้ว จะทำให้ใจของเราคิดแต่สิ่งที่ดีๆไปนะเพราะคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพาคิดเมื่อคิดสิ่งที่ดีๆํำพูดก็ใจพาพูดการกระทำก็เพราะใจพาทำไม่กระทำแต่สิ่งที่ดีๆกายก็ดีวาจาก็ดีสะอาดบริสุทธิ์คิดก็ดีใจสะอาดบริสุทธิ์ไั่นก็เป็นคนดีซะนั่นเองไม่ยาก เป็นคนดีขอให้คิดดีพูดดีทำดีใช้ได้ฉะนั้นต้องปฏิบัติควบคุมใจอย่าปล่อยไปตามอำนาจของเิเลตันหาฉะนั้นอานาจไปตาที่อยู่ในใจของเรามีเยอะเราต้องหาทางออกฉะนั้นเราจะต้องเวียนไหวตายเกิด อ, อยู่ในวัฏสรงสารนี้อีกมาก าการใดที่ยังยังมีกิเลสมีตันหาอยู่ต้องมาเกิดอีกแน่นอนฉะนั้นเราต้องหาทางออกจากกองทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมหาที่พึ่งทางใจคือบุญกุศลความดีต่างๆพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านสรรเสริญว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์อันประเสริฐท่านไม่สรรเสริญว่าโลกิยะทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเร ส, เสรเิฐนะ แต่ว่าท่านก็ต้องให้มีโลกีอาทรพเพื่อเป็นการดูแลเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเพื่อนฝูงเลี้ยงโมณะญาติโยมทั้งหลายดัยงนั้นอาริยทรเนีย่ยท่านสารเสริญว่าเป็นทรอันประเสริฐเป็นทรพอันประเสริฐที่จะติดตัวตามใจของเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานนี่หละสิ่งที่จะพาให้เราไปถึงพระนิพพานคือบุญกุศลความดีต่าง เราจะต้องเวียนายตใจเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อีกนานกว่าจะได้ไปพันิพาณไม่รู้จะกี่พพกี่ชาติเราต้องทำบุญบุญคือทานเราพยายามบริจาคทานทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆอยู่เบื่อๆอยู่เนืองๆบุญกุศลนั้นก็จะใจของเราก็จะรับเอาไว้จำเอาไว้เพราะลักษณะของใจสี่อย่างคือรับจาคิดรู้ มันรับเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำฉะนั้นเมื่อมันรับบุญเอาไว้บุญตัวนี้แหละจะพาให้ไปถึงพระนิพพานพ้นทุกข์เหมือนกับหลวงปู่หลวงพอ่อหลวงตาฉะนั้นศีลเราก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆทาอยู่บ่อยๆอย่าให้ขาดศีลห้าโดยเฉพาะศีลห้าให้ปฏิบัติอยู่ประจาเป็นประจำและภาวนาไหวพระสวดมนต์ หาข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้เราก็ต้องปฏิบัติตั้งให้มีทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นแนวทางให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอุบาสกและอุบาสิกาปฏิบัติการทำเพื่อที่จะแนวทางของเราให้มีความสุขในโลกในชาติต่อไปนะเกิดจากตายจาก มนุษย์ก็จะไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพพระธิดากลับมาเป็นมนุษย์ก็จะเกิดอยู่ในกองเงินกองทองคนมีบุญน ะ, ะเกิดอยู่ในกองเงินกองทองหาไม่พอได้ก็ได้หาไม่พอมีก็มีด้วยอานิสงส์ของการารักษาศีลชาติเ่ี า, างก่อนเกิดพบใดชาติใดก็จะเป็นคนรูปสวยผู้ชายหลอ่ออายุมั่นขวัญยืนไม่มีโรคไม่มีภยัย เกิดนะเป็นคนร <c oughs> ูปสวยแล้วก็ถ้ามีภาวนาไหวพระสวดมนต์สมาธิไม่ได้ขาดเกิดพบใดชาติใดก็จะเป็นคนมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดไอชิวสูงเนี่ยถ้าทำบุญให้ครบวงจรอย่างนี้เราจะท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารอีกกี่ชาติก็แล้วแต่เราจะมีความสุขเกิด อ, อยู่ในกองเงินกองทอง รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาเป็นสิ่งที่พวกสัตว์มนุษย์หรือโรกทั้งหลายต้องการและปารนาใครอยากจะจนไม่มีหรอกอยากจะรวยกันทั้งนั้นใครอยากจะที้เหล่ไม่มีมีจะอยาก สวยอยากหล่อทั้งนั้นใครอยากจะโง่ไม่มีอยากจะฉลาดกันเทั้นั้นถ้าอยากรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาเราต้องทําบุญทําทานให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาเผ่าพนาอยู่เป็นประจํำอย่าให้ขาดถ้าอยากจะไปนิพพานมาเนี่ยถ้าอยากจะไปนิพพานให้พ้นจากกองทุกข์ก็ต้องปฏิบัติอย่างหลวงปู่บอกไว้ฮา กายกรรมสามวิกีกรรมสี่มโนกรรมสามให้มั่นคงอย่าให้ขาดไม่ฆ่าสัดไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติ ผ, ผิดในกามไม่พูดปดไม่โกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดส่อเสียดใครและเห็นถูกตามทานองคองทม เห็นว่าบาปมีกิงบุญมีกิง้งนรกมีกิงสวรรค์มีกิงทำดีได้ดีกิงทำชั่วได้ชั่วกิงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็หาไม่อิจฉาริษยาพยาบาทใครแล้วก็ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนมีศีลสิบบริสุทอย่างนี้ก็จะทำให้ปิดอาับายภูมิได้ฮะเรียกว่าพระโสดาบันและว่างั้นเถอะอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นพระโสดาบัน แล้วก็มีสมาธิและปัญญาพอสมควรเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ <c oughs> จะเป็นพระอริยเจ้าชั้นชั้นแห่งพระอริยเจ้าชั้นทันตุนเรียกว่าพระโสดาบันลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะไปนิพพานตรงนั้นถ้าอยากจะไปในชาตินี้ อยเกีจะไปพันินพันในชาตินี้ต้องมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิอย่างแก่กล้ามีสมาธิาต้องทําจิตให้เป็นหนึ่งซ้ำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งซ้ำพลังกิจให้มีสมาธิพอสมควรเมื่อพลังกิจของเราดีเราจะเอาไปพิจารณาในด้านปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ยกขึ้นสู่ใจลักหมดสารพัดของใช้ไม่สอยแม้แตตัวเรา หลวงปู่ที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นสมมติว่าหลวงปูดงป่ดาลหลวงปู่ดาดอยู่ก็ไม่ร้อยไม่เกินห้าแปดสิบปีร้อยปีก็จะตายเท่านั้นเมื่อตายไปก็จะดินไปเป็นดินน้ําไปเป็นน้ําลมไปเป็นลมไฟไปเป็นไฟอธาตุชีก็จะแยกแตกสลายไปแล้วก็เข้าเตาเผาเตาอบเท่ า, ทานั้นมีแค่นั้นคนเราดังนั้นเราต้องทุกขิ้งทุกอย่างพิจารณาให้มันเป็นธรรมะยกขึ้นสู่ใยลึก อนิจจังทุกขังอนัตตาบ้านของเรารถของเราพ่อของเราแม่ของเราลูกของเราทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สมมุติสมมุติกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วพวกเราก็เลยไปหลงสมมุติฉะนั้นวางให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับมีอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุเป็นหลักดังนั้นเราต้องหาทางออกจากของทุกข เพราะว่าความตายลอยอยู่ข้างหน้าความทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดคือความตายการพัดพากจากของรักของชอบใจทุกทิ้งทุกอย่างให้เอาตัวอย่างนก <c oughs> นกกระ t า a n นกเขาที่อยู่ในกรงอยู่ในกรงนั้นจะให้อาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่มขาดน้ำไม่ขาดแต่ว่านกเขามันไม่อยากจะอยู่ในกรงหาทางออก สับปองนั้นเราก็ไปสับร่องนี้แล้วก็ไปสับรองนั้นล่อไปหาสับไปเรื่อยๆสับไปเรื่อยๆหิวขึ้นมาก็มากินอาหารเขาเยอะแยะาน้ำเขาเยอะแยะแต่ว่าเขาหาทางออกจากกองเพราะว่าเขาอยู่ในกองนั้นเขาว่าเขาไม่ปลอดภัยเขาจะมาเอาเราไปลาบวันไหนเขาจะเอาเราไปผัดเผ็ดวันไหนก็ไม่รู้มันก็เลยหาทางออกอยู่อย่างนั้นพวกเราเหมือนการเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ถึงจะมีทรัพย์สมบัติมากมี เครื่องใช้อำนวยความสะดวกเยอะแยะอมากมายเงินทองมากมายบ้านหลังใหญ่หลังโตก็ไม่ไม่อยากจะอยู่ในโลกอันนี้หาทางออกจากโลกอันนี้เพราะว่าความตายรออยู่ข้างหน้ามันจะตายวันไหนก็ไม่รู้ดังนั้นต้องหาทางออกจากกองทุกข์ด้วยการปฏิบัติทานอสินสมาธิและปัญญาท่านวางแนวทางไว้ให้พระผู้ปฏิบัติและผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ รักษาศีลของเราเองให้บริสุทธิ์ข้อสําคัญที่สุดถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วเราจะภาวนามันก็เกิดง่ายจเจริญง่ายเมื่อภาวนาเกิดขึ้นแล้วปัญญาไม่ไปไหนศีล ส, สมาธิและปัญญาเป็นแนวทางที่จะออกจากกองทุกข์ในชาตินี้ดังนั้นถ้าชาตินี้ยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่พ้นจากกองทุกขเราก็ต้อง <c oughs> ทําไปเรื่อยๆ ไม่ปีใดก็ปีหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งต้องพ้นแน่นอนฉพนาะนั้นทุกชีวิต ท, ที่เกิดขึ้นมานี้เหมือนกับลอยคออยู่กลางมหาสมุทรมหาสมุทรมันมีฝั่งนะถ้าพุทธเจ้าพระอารียเจ้าทั้งหลายท่านขึ้นฝั่งได้แล้วท่านพ้นจากกองทุกข์แล้วพวกเรายังลอยอยู่กลางมหาสมุทรมือก็กวักขาก็แกว่งเพราะว่าถ้าเราไม่ทาอย่างนั้นมันก็จะอดตาย เราต้องหาเกิดขึ้นมาแล้วมีจะหาหามาหามาเพื่อที่จะมาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่สารพัดเมื่อหาขึ้นมาแล้วก็มา <c oughs> หารอยอย่างนั้นคณะจะหาที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจคือบุญกุศลความดีต่างๆที่จะเป็นสะพานพาเราไปหาขึ้นฝั่งดังนั้นถ้าเราไม่ <c oughs> วัดไม่เขา้พาพระเจ้าไม่นบไม่ทำความดีต่างๆเหมือนกับเกิดอยู่ในกลางมหาสมุทรแล้วก็จมลงจมลงแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกก็มาเกิดอีกแล้วก็มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายแล้วก็มาจบอีกอย่างเงี้ยไม่เห็นฝั่งสักทีเพราะว่าไม่มีไม่ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องอาศัยที่จะให้พาไปถึงฝั่งดังนั้น เราต้องทําบุญบุญให้มากที่สุดเพื่อที่จะพาเราไปถึงฝั่ ง, งคือพระนิพพานดังนั้นโลกในนี้ในโลกอันนี้มีแต่กองทุกข์และความผิดหวังไม่มีใครสมหวังมีแต่กองทุกข์เท่านั้นทุกข์พ่อเกิดทุกข์พ่อแก่ทุกข์พ่อเก็ บ, กกบและทุกข์พ่อตายเกิดใจเก็บตายมันมาพร้อมกันนะมันมาพร้อมกันเลยเราปฏิสนธิอยู่ในท้องบิมารดา อ่าเดือนวันหนึ่งพราะวันที่สองละวันหนึ่งมันตายไปแล้วแก่ไปแล้ววันที่สามที่สี่สที่ห้าเดือนหนึ่งสองเดือนอเดือนหนึ่งสองเดือนนั้นตายไปแล้วเดือนที่สามที่สี่สก็เพิ่มเข้ามาที่เราเกือแก่เก็บตายมันมาพร้อมกันแต่เรามั น, ม, นมันมาแบบาปิดบังไว้มันไม่เคยเปิดเผยอ่าเพราะเราอายุได้ห้าสิบหกสิบ ข่าวขึ้นมาแล้วไวทองแล้วนะเริ่มเปิดเผยแล้วความแก่เปิดเผยแล้วผมกดแซมงาแล้วหาผมขาวก็ออกไปครึ่งหนึ่งแล้วเนื้อหนังเคยเต่งตึงเคยดีก็หย่อนยานไปแล้วอ่าตาหูต่างๆก็หาเริ่มผ้าเริ่มมัวแล้วก็หาสังขารร่างกายลุกเดินก็เอาก้นขึ้นก่อนแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันแก่เปิดเผยแล้ว ทีนี่ความตายไปเนี่ยตายก็ยังยังยังปกปิดอยู่ตราบใดที่เราหมดสิ้นลมหายใจนั่นแหละยังค่อยจะรู้ว่านะถุกตายแบบเปิดเผยดังนั้นเกิดแจเก็บ ต, ตายมันมาพร้อมๆกันไม่ว่าชาติใดภาษาใดไม่ว่าคนรวยคนจนหรือราชามหากษรย์เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแจ่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเก็บ เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายนี่เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกดังนั้นแต่และคนแต่และชีวิตแต่และคนก็ต้องเจออย่างนี้หมดฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจอะไรทางนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพิจารณาให้มันเป็นธรรมะ ดูทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราให้มันเป็นธรรมะเหมือนหมอเห็นต้นไม้ทุกต้นเป็นยาพวกเราดูทุกอย่างให้เป็นธรรมะยกขึ้นสู่ตรักบมอยนิจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับมีแค่นั้นดูโลกดูภัยอยู่ในร่างกายของเรามันมากเหลือเกินเดี๋ยวก็โลกอันนั้นเกิดขึ้นโลกอันนี้เกิดขึ้นสารพัด อย่างหลวงปู่ น, นี่ห้าหกโลกอยู่ได้ทั้งเบาหวานทั้งความดันทั้งเขาทั้งเคล็ดตรอดทั้งโรกใจทั้งหูสารพัดอยู่ในร่างกายเนี่ยรอวันวันไหนมันรู้มันจะไปฉะนั้นเราอย่าไปไว้ใจในชีวิตว่าตัวเองจะต้องอายุเท่านั้นอายุเท่านี้จึงค่อยจะตายอ่าให้คิดดูว่าเพื่อนฝูขงของเราตายไปเยอะแล้วรุ่นน้องของเราก็ตายไปเยอะแล้ว ตัวเรานี้วันไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยู่เสมอการฝึกภาวนาสมาธิเพื่อที่จะการเป็นการเตรียมตัวตายไม่ต้องให้ลูกให้หลานมาบอกว่าโอแม่ทางใจนะพ่อนะทง้งใจนะไม่ต้องห่วงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่เคยภาวนาเราจะเข้าขีดได้ไหมเราจะภาวนาเป็นไหมฉะนั้นเราต้องฝึกเอาไว้ก่อนที่พระญาณมัจจุราชมันจะมาต้องพุท ลมเข้าโทลมออกดูลมเข้าดูลมออกรูล้ลมเข้ารูล้ลมออกทุกลมหมายใจให้นิ่งให้สงบให้มีสมาธินั่นแหละจึงค่อยจะได้ไปสวรรค์ถ้าเรายังห่วงพระวงหน้าพระวงหลังอยู่คิดถึงลูกมันก็จะมาเกิดกับลูกคิดถึงบ้านมันก็จะมาเกิดกับบ้านคิดถึงทรัพย์สมบัติมันก็จะมาเกิดอยู่นั่นแหละฉะนั้นเพราะอุปทานะปัจจัยาภัตู มาเกิดที่บ้านมาเกิดยังไงเราจิ้งจกทุกแยสารพัดมันอยู่ในบ้านหนูอะไรต่างๆมันเยอะแยะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงอะไรต้องหัดวางก่อนตายเวลาตายแล้วยังค่อยจะวางไม่ใช่นะต้องวางก่อนคนที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานต้องไปก่อนตายนะไม่ใช่ตายแล้วยังค่อยจะไปฉะนั้นเราต้องหัดวางเอาไว้สุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส ถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจแหละมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวใจยึดมั่นใจปล่อยวางไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์ฉะนั้น <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของของเราเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วครั้งยังมีชีวิตนี้อยู่ท่านั้นตายไปแล้วก็เลือกกันเอาไปไม่ได้สักอย่างฉะนั้นเราต้องวางวางก่อน เอาไปได้คือบุญกุศลความดีต่างๆอริยทรัพย์พระพุทธเจ้าท่านเสริเสริญว่าเป็นอริยะเป็นทรัพย์อันประเสริฐท่านเสริเสริญว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นเราต้องมันทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่จะติดตัวตามใจของเราไปทุกภพกทุกชาติฉะนั้นเราต้องหาที่พึ่งคนเรามันต้องมีที่พึ่งนะถ้าไม่มีที่พึ่งมันก็อยู่ป่านนี้ไม่ได้เด็กออก คลอดออกมาเม็ดใหม่ก็ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่หาเด็กโตขึ้นมาก็ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่อาศัยเรียนหนังสือสารพัดหาถ้าหาพ่อแม่ถ้าโตขึ้นถ้าโ ต, าโตวัยทองแล้วก็ต้องอาศัยพึ่งลูกหาเอาลูกเป็นที่พึ่งลูกดูกแลคุ้มครองสารพัด ส, สารเพย์ดังนั้นเมื่อ ตายไปแล้วก็ต้องหาที่พึ่งทางใจเนี่ ย, อ เ, ยเอาพึ่งลูกพึ่งหลานเขาก็ไปส่งแช่ป่ายชา้าเท่านั้นพึ่งพระพึ่งเจ้าท่านก็ไปส่งที่ปลาชา้าแล้วก็ไปสวดให้เท่านั้นที่จะไปทั้งหน้าอีก เดินทางไกลไปข้างหน้าไปสัมปรายะภพนะเราจะไปที่ไหนเรามีที่พึ่งทางใจของเราไหมถ้าไม่มีที่พึ่งมันจะลาบากดังนั้นขอให้พากันตั้งใจทำความดีสร้างความดีเอาดูดเอาความดีไว้ที่ใจมากๆใจของเรามีหน้าที่รับจำคิดรู้นี่ราบุญกุศลความดีต่างๆมันอยู่ที่ใจร่างกายของเราเปียบเสมือนรถส่วนจิตใจคนขับรถ มันคนละอย่างนะกายกับใจไม่ใช่อย่างเดียวกันกายนั้นเป็นรูปธรรมส่วนจิตใจนั้นเป็นนามาธรรมทำสองอย่างธาตุสองอย่างนี้อาศัยซึ่งกันและกันหารถคันนี้มันก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็อาศั ย, ศ ย, ศยคัดสีรล้ว่าเครื่องอโครงสร้างต่างๆรถถัง กระโปงต่างๆธาตุาาน้ำก่นน้ำรอเย็นน้ำมันที่จะทำให้รถเดินได้ถ้าลมก็ลมอัดยางลมยางลมอัดหัวฉีดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ธาตุไฟก็คือแบตเตอรี่รถคันนี้ถ้าไม่มีคนขับมันก็ไปไม่ได้คนขับคือจิตวิญญาณที่จะพาจิตใจของเราไปที่จะพาร <c> ถ <oughs> ไปไหนมาไหนได้ <c oughs> เมื่อเวลารถวิ่งไป บอกให้เลี้ยวซ้ายมันก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องเลี้ยวขวาเพราะคนขับพาไปเมื่อคนขับไปชนคนตายหรือไปอาหาไฟแดงหรือไปถูกปรับไม้ใส่โทษเขาจะเอารถไหมไปติดคุกติดตรางหรือปรับรถไม่ใช่เขาต้องจากคนขับนั่นแหละคนขับนั้นเป็นเจ้าของแต่นั้นจิตเป็นนายกายเป็นเบาเราจะมาฟังเทศหงปู่อยู่นี้ก็เพราะใจพามา พราะฟังเสีดเสร็จแล้วก็จะไปทํางานหรือจะไปบ้านก็เพราใจพาไปอยากอยู่ก็พราใจพาอยู่จะไปก็เพราใจพาไปจะเข้าตลาดไปช็อปปิ้งไปอะไรก็เพราะใจพาไปถ้าไม่มีใจแล้วก็ต้องให้ลูกให้หลานหามไปทังนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจฉั้งนั้นจะเป็นใจดวงนี้เป็นอตมตะธรรมธรรมที่ไม่รู้จักหลับ เป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่รู้จักตายตายไม่เป็นดับไม่เป็น่วนร่างกายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับออกจากร่างนี้รไปสู่ร่างน้น้นออกจากร่างน้น้นก็ไปสู่ร่างน้นไปเรื่อยๆอคล้ายเหมือนกับ <c oughs> เราเปลี่ยนผ้า วันนี้เราอาจจะนุ่งผ้าชุดดำวันพรุ่งนี้เราอาจจะนุ่งชุดขาววันพรุ่งนี้อาจจะเรื่อนี้เรื่องนี้เราอาจจะนุ่งชุดต่างๆถึงจะลุ่งกีชุดจีชุดก็คนเดียวนั่นแหละเป็นคนนุ่งข้างในเปนเดียวกันแต่ว่าข้างนอกเปลี่ยนจต่สีข้างนอกหลังนั้นร่างกายของเราก็เหมือนกันเราต้อง <c oughs> ควบคุมใจรักษาใจปฏิบัติใจดูแลใจเอาใจใส่ใจชำระอารมณ์ออกจากใจให้ใจเหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทโธอยู่กับพุทโธ ร, รู้พุทโธเห็นพุทโธ ท, ทุกลมหายใจว่าบ่อยๆก็ได้บุญมากหาพุทโธคำหนึ่งเปลี่ยบเสมือนกับได้บุญก้อนหนึ่ง ว่าสองคำว่าสองั้งก็ได้สองก้อน3ามคำก็3ามก้อน4ี่ก้อน4ี่ก้อนร้อยคำร้อยก้อนพันคำพันก้นอนหมื่นคำหมื่นก้อนแสนคำแสนก้อนว่าให้มันเยอะๆให้มันรวยกว่าพ p ีน้อง ก, ก็ได้รอเป่ เพราะมันทุกวันะว่ามันสักวันเป็นเดือนเป็นปีอยู่อย่างั้นนะว่ามองมากทัก้งขั้วรวยรวยทรัพย์ภายนอกมันเอาไปไหนเอาไปไม่ได้ส่วนรวยบุญมันพาเราไปสวรรค์พาเราไปได้ผ่านเท่านั้นกันตั้งใจอยากจะเป็นเทวดาอยากจะเป็นเทพบุตรต้องมีศีลห้าศีลห้าบริสุทธิ์ถ้าอยากจะปิดอวัยภูมิของตัวเองได้ก็ต้องมีศีล กายกรรมสามว่ากี่กรรมสี่มโนโกรรมสามแล้วก็มีภาวนาอพอสมควรและมีปัญญาพอสมควรตรงนั้นพากันตั้งใจปฏิบัตินี่แหละเป็นแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนโดยเฉพาะหลวงตาบัวท่านสอนพอแรงแล้วอะไรอะไรก็ดูใจตัวเองนั่นแหละดูใจวางให้มันวางร่างกายาไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ของเรานั่งอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราอ่าเป็นสมมุติเฉะนั้นอ่า สมมติว่าหลวงปู่หลาสมมติเท่านั้นแหละไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงมันก็ต้องเป็นสัจธรรมไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่หาพัดภาคไม่อะไรเท่านั้นนี่เป็นสมมติสมมติว่าเป็นชั่วครั้งชั่วคราวอีกหน่อยก็จะเป็นมะลางหรือว่าเป็น <c oughs> สังโฆหาคนตายน ะ, อ, ะอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราคิดดูสิ ท่านให้ชีวิตพ่อแม่เราให้ชีวิตพวกเรามาท่านก็ตายไปแล้วตายไปแล้วก็รานานไปกรบบดไม่รู้วไปไหนเป็นอากาศเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอนัตตาทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกขังอนิจจงอนัตตานั้นเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นธรรมะมองรูทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นธรรมะ ให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดยกขึ้นสู่ใจลักหมดแล้วก็ดูโรค ก, ก็มีแต่โรคในร่างกายโรคอะไรต่อโรคอะไรก็ไม่รู้เราเข้าโรงพยาบาลนะเหมือนเหมือนกับเราไปปะเรือมันร่วกเรือมันลวกไปปะได้รูนี้เอา้ามันก็ร่วกรูใหม่อีกเขาไปปะรูใหม่อีกให้หมอเขาดูให้ก็ปะรูใหม่พอปะรูใหม่ได้แล้วก็เอา้ารูนั้นก็ลวกอีกแล้วพอปะมากๆเข้ามากๆเข้าก็ มันรั่วมากมันก็เลยป่าไม่ได้ก็ต้องตายมดแม้แต่หมอผู้ปะให้เราก็ยังตายพวกเราก็ตายหมดพ่อแม่ปู่ย่าตายยายตายหมดแล้วดังนั้นพวกเราก็จะตายเหมือนกันฉะนั้นก่อนจะตายนะจะทำอะไรให้มันเป็นสาระ เ, เ, เ, เป็นเกีนสารให้กับตัวเองทานสาระสมาธิสาระปัญญาสาระให้มันเป็นเหียนสารให้ตัวเราเพื่อที่จะ เป็นที่พึ่งทางใจของเราไปในภพหน้าชั้นหน้าท่านั้นธรรมะที่นำ ม, มาแสดงให้ฟังพอเป็นประิตนาการในตรวจยู่ในตนของตนว่าความดีของเราที่ทำไว้เป็นประจำเราต้องรักษาอย่าให้เสื่อมต้องทำต่อ แล้วก็ความดีที่ยังไม่ทำก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นจะเป็นการให้ทานรักษาสิ้นเจริญเมตตาภาวนาหรือทำบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายก็ให้ทำเป็นประจำแล้วเราก็จะได้รับแต่ความสุขและความเจริญอลัดังแสดงมาพอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยปการัชสระสา<ะ><ะ>มาร่วม ง, งานสี่ร้อยแต่ละปีนะสี่ร้อยรูปโอ้เยอะ แต่ใครว่างๆก็ไปเที่ยวกันมืองเลยมันสบายเพราะว่าต้องให้ไปมืองเลยนั้นมีเครื่องหยุดประมาณสี่ห้าเที่ยวห้าเที่ยวของแต่ละวันไป ส, สะดวกแล้วเนี้ยไปมืองเลยแต่พอไปถึงก็มีรถบริการมาเนี่ยรถหัวหัวของสนามบินนะะั่นแ่ะเราจะเช่าไปไหนก็ได้รถแท็กซี่ก็มีรถตู้ก็มีปิกอัพก็มีเยอะแยะเราจะไปเที่ยววงเลย หรือโทรไปหาหลวงปู่ให้หลวงปู่มารับก็ยังได้ <c oughs> งานใหญ่นะหลงทานจะเป็นร้อยสองร้อยลงแต่ละปีหนืองานใหญ่งพวกเทพห้ากันในมนฑลสายครูบาอาจารย์เรานี่แหละมาเทพห้ากันแล้วก็ตอนเช้าก็ตักบาทรักวานก็ผ้าสามสี่ร้อยตักบาทเสร็จแล้วก็ถว <c oughs> ายพระทหารเสร็จแล้วก็ทาทงนั้นก็หลวงปู่นะี่อยู่กับหลวงปู่ชอบจะปีศูนย์เจ็ด ทูลเจ็บวชปีนั่นก็มาอยู่กับท่านเลยก็ห้าสิบสามปีนี้มั้งห้าสิบสี่ปีย่างเนี่ยห้าสิบสี่ปีให้อยู่กับท่านก็อู้อัศจรรย์หลายอย่างหลวงปู่นะอัประวัติที่ท่านคนหญิงสุรีพันธ์มาลงไว้ยังไม่ได้ครึ่งหรอกอัปวตท่านเละมากกินฉันข้าวเทวดาก็หลวงปู่ชอบฉันน้าเทวดาก็หลวงปู่ชอบฉันกล้วยเทวดาก็หลวงปู่ชอบฉันข้าวเทวดานั้นท่านไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองพม่าหกปีมั้ง แต่อยู่หกปีท่านเกิดสงครามอินโดจีนเขาเห็นคนไทยไม่ได้เขาจะฆ่าไอ้พวกทหารอังกฤษบวชอทหารญี่ปุ่นอะไรเงื่อนะเขาพวกไอ้พวกคนป่าคนชายแดนเขาก็เอาหลงปู่ไปซ่อนไว้ในยุ้งข้าวอย่างนี้ขออนุญาตนะหลงปู่ท่านว่านะไปนนะยุ้งยุ้งข้าวนะวะถ้าเอาหลงปู่ไว้นี้กลัวจะหลงปู่จะเป็นอันตรายกลัวเขาจะมาเห็นกลัวเขาจะฆ่า ก็เราให้หลวงปู่ไปในี่นะสวะวันออกอย่างนี้ไม่ต้องซ้ายไม่ต้องไปขวาไปตรงเลยมันจะถึงเมืองไทยสว่าแต่งของให้หลวงปู่แล้วพายว่าแล้วก็มาเดินไปห้าวันไม่ได้ฉันข้าวเนาะเ <S an> ทวดาร้อนใจอย่างไงก็ไม่รู้ขอมาขอใส่บาตรท่านอยู่กลางเขาอยู่กลางป่าท่านก็โยมมาขอนิมนต์เจ้าข้านิมนต์พระคุณเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะ <S <S <an> <S แล้วก็แต่งบาอตรรับบาตรจากเขา เขาก็ใส่บาตรเราก็ทั้งกระจัดที่นั่งฉันเนาะนท่านเพื่อนี่เดียวเรหลียวไปหาไม่เจอเลย ว, <c oughs> ว่าจะให้พรก็ไม่อดหรือเขาไปก่อนแล้วเทวดาพวกบางบทหรืออะไรก็ไม่รู้ท่านท่านเล่าอั น, นี้ท่านเล่าให้ฟังท่านเล่าให้ฟังแต่ว่าใไอฉันน้ำเนี่ยท่านมากับหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็เล่าให้ฟังกันนะเราไปพาญาติโยมทั้งหลายไปจากเมืองเลยไปกราบหลวงปู่ขาวน่ยมาจากมาจากไส มาจากสายเอามาจากเมืองเลยกับผมเอ๋าคือมาไก่แท้อยู่มืองเลยกับมีเพชรด้วห์หันเพชรอยู่หันด้วห์หันเพชรอยู่มืองเลยก็มีตัวเม็ดนึงอ่ะเออเพชังไรก็ผมคนอาจารย์ชอบเล่เพชรดัวห์หัน่บอกท่านเก่งกว่าห้องคุณดัวห์เนี่ยคนเราของข่าวท่านเล่านะเราเราไปกาบท่านเพราะท่านก็เลยเล่าเรื่องอะไเรื่องไปมากับอาจารย์ชอบบอกท่านมาจาก ไจังหวัดทั้งร้อยเอ็ดทั้งกาฬสินธนะุ์ที่จะขํามภูหานมาจังหวัดเลยนะเข้าไปข้ามภูหานมากั น, นแล้งเดือนเมษาเนาะเดินมากัมีแต่ใบไม้ไม่มีน้ําน้ํากรติกของภูเขาก็หมดลงกระติกลงปูเช่าก็หมดบนชถ้าเราลงภูเขาไปจะโอ้ยเราจะพ้นดงนี้หรือเปล่าเราจะตายก่อนอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่มีน้ํากินนะพอเดินมาเดินมากัน เอาเดี๋ยวมันก็มีดอกเดี๋ยวก็พ่อดอกอาจารย์ชอบท่านของปู่ชอบท่านว่าให้นานเสียงสู้สู่สู้มาน้ํามันมันมาตามร่องน้ํานะมันพัดใบไม้มาก่อนใบไม้เป็นค้อนใหญ่ใคญ่อนใหญ่พอใบไม้ผ่านไปแล้วมีจฉาเนื้อใส่ก็เนี่ยถ้าเกิเขาเอาดักใส่กติกใส่อะไรอะไรคนท่านเรียบร้อยกว่าล้างหน้าล้างตากินดื่มล้างจนล้างตัวเสร็จเรียบร้อยกวาหายไปกับน้ํำนะเอ้หมดไปเฉย นี่ก็อัศจารย์เนี่ยท่านพะหลวงปู่ชอบท่านเล่าแล้วแต่ว่าหลวงปู่ขาวท่านก็เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าฉันกล้วยเี่หลวงปู่อยู่ด้วยเอ น, นี่ยคุณพิยาดาริ้วเฉลิมวงที่อยู่ในกรุงเที่ยวเป็นลูกศิษย์อุปถัมภ์หลงปู่ชอบอาหารพัฒนอาหารต่างๆจัดอาหารให้ท่านนะพอดีพอดีดตอน แจ่มีบ้านพักตาก อ, อากาศอยู่ที่หัวหินอยู่ใกล้ใกล้ตึกอกล้ใกล้วังหัวหินใกล้กงวลหัวหินนะลองปู่ขออนุวาตลองปู่ไปไปพักที่หัวหินที่วัดที่ที่บ้านพักหนูไหมเพราะว่าเขาจะ เขาจะให้ใหลว ง, งให้หลวงปู่ไปฝังทรายนะเพราะว่าท่านเป็นอมตะพึกงนี่หลวงปู่ชอบนะให้ไปขุดทรายออกดีๆแล้วก็ให้หลวงปู่เป็นนั่งแล้วก็เอาทรายถมแล้วฝังเพื่อจะให้มันดูดดูดให้เป็นให้ให้ให้โรคอมตะพึงกงอมอะไรท่านท่านหายนะาวันแรกก็ <c oughs> พูดท่านก็ไม่พูดท่านนั้นที่สองท่านก็นไม่พูดวันที่สามไปไหมหลวงปู่ไปไหมวันหนูอยู่ที่ห้อเห็นอยังไงนี่น ไปไหมหลวงปู่เอื้อเขาเอื้อนะหมายถึงไปผ่านสายอีกสายอื้อเขาอื้อเราคุณจาร์จะลงมันเกิกขับรถจะเนาะขับรถคุณพ่ดารณารถมีพระมีหลวงปู่ด้วยก็มีพระอุปัฏฐาอีกสององค์แล้วก็มีเนน้อยองค์หนึ่งสี่ห้าสี่ห้ากับหลวงปู่น่ะเขไปเ พ, พอไปถึงหัวเห็นบ้านพักเขาใหญ่โตผ่านพระคุณเศรษฐีเนาะเอาหลวงปู่ไปพักขึ้นห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เอาของคุณพี่ดาเอาของเขาตู้เย็นตู้อะไรคุณพิ่ดาแกจะรู้ว่าแกทําทุกวันเอากล้วยน้ําว้าธรรมดาเนี่ยละกล้วยยังไม่สุกดีเท่าไหร่ยังห่ำห่อยู่ทั้งอะไรให้ไปย่างไฟดีๆแกแกมานวดนวให้เร็วๆมให้ให้ลุงปู่ฉันเพราะว่าท่านชอบฉันเพราะว่ามันระบายดีท่านไหวนะอ่าแล้แกแกก็ไปหาอะไรไปหาแกจะไปเอาอยู่ที่ตลาดสดหอหินบุรณะไปหาไหนไปหาไหนก็ไม่มีไปหากล้วยนะ่ะ ไปหาที่ไหนแกไม่มีแกว่านะแกกลับมาเลยโอ้ยน่าเสียเลยแกว่าเองเกือบจะร้องไห้เลยแหละเพราะว่าไม่มีกล้วยที่ถวายลหลวงปู่พวงนี้ฮะไปหาที่ไหนไม่มีไม่ใช่กล้วยสุกงอมเปลือกดําก็เลยไม่เอาเพราะมันต้องเอากล้วยที่สุกสุกกาลังดีแล้วก็เอามาย่างกับไฟนะทีนี้แกฮะก็ขึ้นมาจากน้นําเนาะแกพอแกมาจากตลาดพะขึ้นมาจากน้ําไปเล่นน้ําทะเลนะขึ้นมากะค่ําแล้วเเกือบหกโมงแล้ว แกเอาของเข้าในตู้เสร็จแล้วแกขึก้นลงไปอะไรไม่รู้ลงไปตรงสีพ่พระขึ้นมาเมื่อกี้นะ่ะให้ไปเจอกล้วยหวีหนึ่งรุ้ยสวยเหมือนกับออกจากโต๊าใ ห, หมนะ่เนาะแกก็้นรีใจเต้นแรงเต้นการขึ้นมามาหาลุง ป, ปู่ลุง ป, ปู่ปปปหนูไปหาที่ตลาดไม่มีมาเจออยู่ที่หน้าหน้าบ้านอตรงทางลงไปอยูริมน้ำเกี้บ้านนะอยู่ริมน้ําำออพระขึ้นมาเมื่อกี้ทําไมไม่เห็นนะ่ะ ไม่เห็นแจ้ไปบ่นกับหลวงปู่นะบ่นว่าไม่ไ ม, ไม่กล้วยที่จะถวายหลวงปู่อย่างนั้นอย่างนี้แจบ่นทั้งแต่ร้องไห้ทั้ ง, จงใจอะไรนะะหลวงปู่ท่านะก็นะกนไม่ว่าหรอกท่านก็เฉยพอรีพระขึ้นมาเราก็แจ้ก็เอาของเข้าตูนะ้เลยเดินไปเพรว่าไปเห็นนะึไรแบโว้ยดีใจใหญ่เต้นมัอนที่แจกระโตมาบอกพวก ญาติพี่น้องเจอยู่ทั้งกรุงเทพโอ้ยจองกันแถวเปื่อยวันจะให้ใครนะว่าให้เราเอาเนื้อให้ลุงปู่เลยเอาเปือกกันเอาไม่ให้เรานะอย่างนี้ใครกูพูดอย่างนั้นเพราะเราก็อัศจรรย์กันเลตอนนั้นก็ดีเราละพักขึ้นมาทําไมไม่เห็นตั้งสี่องค์สี่องค์เนาะไปเล่นน้ําอยู่นั้นสามสี่องค์เนาะน่าจะเห็นถ้ามันมากับน้ํานะถ้าน้ําพัดมามันต้องช้ําเนาะมันมาตกเรือนะ คนเดินก็เดินไม่มีเดินแล้วมันค่ําแล้วนะมันก็อยู่หกโมงแล้วเอ่องันน่ะอาจารย์ก็กล้วยเทวดาไม่ลงปู่กล้วยเทวดาไม่ลงปู่ท่านก็ไม่พูดแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มอยู่ข้างปู่เราก็อาจารย์ด้วยกันชุดนั้นนะแต่เขาเรียกว่าทัานไม่กล้วยเทวดาเขาไม่รู้จะกล้วยอะไรแล้วเขาเลยว่าเขาแล้วก็เลยว่าเป็นกล้วยเทวดานะเพืหญิงเพื่อนก็เอาไปลงรถในหนังสือปวดโอ้ปวดลงปู่หลายอย่างถ้าจะให้พูด โอ้โหเดือดหกทุ่มจะหมดหรือเปล่านะหลายอย่างนะเราคิดคิดอะไรไม่ได้ในลุงบู่เสียก่อนนะเราคิดเราก็เคยคิดคิดเรื่องลุงบู่ครั้งหนึ่งท่านชวนไปจําพรรษาอยู่ที่บ้านบงเนาะบ้านบงโฮเรือนะท่านดาดเนินหวังเนินทองไปจําพรรษาบ้านบงกับเราพวงนี้แต่งตัวเด้อเราก็ ไม่พูดแล้วเราก็รับหรือไม่รับก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นเราเป็นโรคเออโรมาติซัมเนี่ยหัวหัวเข่าเข่าทั้งสองเข่ามันบวมมันบวมเราไมนคู่เข่าอย่างนี้ไม่ได้น่าต้องนั่งเหยียดขานั่งชันก็ต้องเหยียดขาขาหนึ่งอีกขาหนึ่งก็คู่ได้นิดหน่อยเพราะว่าเป็นอัมพาตเป็นในโรคโรมาติซัมตอนนั้น เราก็ไปกลับไปถึงกุฏิล้วไปคิดอยู่คนเดียวโอ้ยอย่าไปกับลุงบู่ได้โว้ยอย่างนั้นอย่างนี้ข่าเราก็ไม่ดีได้ยินข่าวว่าที่จะมรสาท่านจะต้องข้ามเขาลงเขาข้ามเขาลงเขาไปสามสามลูกก็จะถึงเกือบสิบกิโลสิบกิวกว่ากิโลนะข้าของเขาลงเขาไปมันรถเข้าไม่ถึงนาะสมัยนั้นไม่มีค่อยมีรถเราไปนี่ก็ไปพรุนี้เช้าน่ะพรุ่งนี้เช้าก็มาฉันคนที่บินสบายพาลุงปู่พาบินสบายฉันเสร็จฉันเสร็จก็ร่างฉันอยู่นะร่างฉันอยู่ เราก็นั่งต่อท่านแนละ้วอ๋อถ้าที่ไล่ยหลยก็ไม่ต้องไปเอาท่านม่อยไปไปอ๋อท่านมวยก็นั่งอยู่ก็ติดหลงกูดแลเอาท่านมวยไปท่านถ้าท่านที่ไล่ไหลก็เ่งต้องไปเอ๊ะตาบในใจเราเนี่สมัยสมัยต้องปู้ต้องรู้เราไปคิดอยู่คนเดียวอยู่กุฏินะ ถ้าขี้ร้ายไหลขี้ร้ายไหลคือใจไม่สู้ไม่ต้องไปนะท่านบอกอย่างเงี้ยท่านบอกว่าอ๋อท่านม่อยไปท่านมอยเขาตั่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วเฮ้อปีนั้นก็เลยท่านมอยก็ได้ไปกับเนรหวังในทองสามกับท่านสี่กับท่านสี่กับไอ้ลวงปู่ลวงปูไปจำพรรษาปีที่สองปีที่แรกท่านไม่ด้ชวนหรอกเดี๋ยวปีที่สองท่านชวนไปจำพรรษาอยู่ภูเรือแถวภูเรือแถววันบงอ่ะตอนนี้เป็นสาขหาของท่านใหญ่ตัวงกันอยู่น้องเด็ดี นะโอ้อาจารย์นะกเลยเราไปคิดอยู่คนเดียวตอนเช้ามาท่านท่านท่านตัดของเราออกเลยเอาท่านคิดม่อยเอาท่านม่อยไปท่านม่อยไปชื่อครูบาม่อยคือคนนั้นน่ะหมอยแกแต่ว่าเดี๋ยวนี้แกยังมีชีวิตอยู่มันแกสึกก็ล่ะแกสึกแล้วโอ้หลายอย่างบูนน่ะคิดอะไรไม่ได้ละ่ก่อนไม่กล้าคิดท่านท่านท่านทักทันที แล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอธิท่านก็ดีพวกเจสสาที่โกนออกจากหัวเขาไปอัดก่ออกัดอะไรไว้เลยเป็นเม็ดเป็นเม็ด เ, เ, เป็นสายไปหมดเล็บเขาตัดเล็บตัดอะไรเนี่ยไม่เหลือแล้วแม้แต่ที่สมัยก่อนทําให้โบราณเนาะเขาจะขุดหลุมขุดหลุมอที่หนักเบาท่านนะเขาจะเอา <c oughs> ไม้ไปกาดแล้วก็ฝาปิดท่านไป ไปไประบายทุกข์อยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาก็ดีระบายทุกข์อยู่นั้นพอท่านมรณะท่านพออะไรบอกท่านเขาไปเปิดดูมันไม่เป็นดินหมดแล้วเขาขุดเอาหมดขุดออกไปทําพระหมดห <c oughs> นักเบาท่าน่ะไม่เหลือเลยอยู่ในนั้นน่ะขุดไว้จนโอ้ยเป็นไอ้พระธาตุอีกต่างหากคเลยของขอกมาจากพรนะอ่าอัดเบาท่านหนักท่านแล้วปถ่ายหลุดพรคือพอรอายุวันณนะสุขภาระ จะมีอายุมั่นขันยืนต้องไม่มี โ, โครคโรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มีจะมีอายุมั่นขันยืนอยู่ที่อาหารบมดนะอายุโยครคภัยไข้เจ็บจะเกิดเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาหารคนไหนชอบทานหวานมากๆอย่างหลวงปู่เนี่ยชอบจะเป็นเบาหวาน <laughs> และก็ชอบทานมันทานทอด <c oughs> มันต่างๆก็จะเป็นเลล์ตอร์ลอนไขมันในเส้นเลือดหลวงปู่ก็เป็นแล้วก็ชอบทันเชมทันอรสจัดๆต่างๆก็จะเกิดโรคไตและโรกเกาโรกอะไรต่างๆหลวงปู่ก็เป็นสามอย่างฉะนั้นถ้าอยากจะมีอายุมั่นคงยืนต้องควบคุมเรื่องอาหารเดียนี้หลวงปู่ไม่เอาแล้ว อยอมยอมยอมแล้วไม่ไม่คิด ไ, ไม่ชั้นอย่างเก่าแล้วก็เลยไม่ค่อยแต่โรคเบาหวานก็คุมได้ได้วยตรวจแต่ละเดือนสองเดือนเขาตรวจให้ทีหนึ่งก็ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ไม่เกินนี้ะแล้วก็โรคความดันก็ดีขึ้นลูกเก้าก็ดีขึ้นลกูกไทรอยด์อ่เนนี่อปีหนึ่งเขาจะมาตรวจครั้งหนึ่ง ดังนั้นเราต้องควบคุมเรื่องอาหารอยากอยมีอายุมันข่อนยืนที <c oughs> นี้อายุวันณะสุขะภะละภะละคือพลังกายพลังกายของเราจะดีเราต้องมันออกกําลังอยู่เรื่อยๆอย่าทําให้เรามีพลังกายที่ดีเมื่อพลังกายดีก็จะเป็นภูมิด้านทานโรคจะไม่เกิดโรคเกิดภัยง่ายดนั้นขอให้มีพลังกายและพลัง <c oughs> โลกภัยขยิก็บเนะี่ยสำคัญข้อที่หนึ่งข้อที่สุดท้ายก็คือพลังกายแล้วก็วันนะสุขะความสุขะจะมะีมีความสุขทางใจสำคัญที่สุดคือมีภาวนาพุทธโธน่ะแหละหรือหลวงปู่สอนในหะ้มีพุทธโธให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่พุทลงเข้าโทลงออก ดูลมเข้าดูลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกเห็นลมเข้าเห็นลมออกทุกลมหายใจให้จิตของเรานิ่งอยู่กับพุทโธอมีปัญหาอะไรเกิดความเครียดเกิดความอะไรขึ้นมาก็ดึงใส่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธว่าก่อเร็วๆบ่อยๆก็ได้จะทําให้จิตของเรามีความสุขเมื่อจิตของเรามีความสุขมรติพลันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นความสุขมันก็เกิดขึ้นเมื่อความสุขเกิดขึ้น ทิฏความสุขมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อจิตของเรามีความสุขน้ําเลี้ยงหัวใจทัานว่ามันใส <c oughs> น้ําเลี้ยงหัวใจใสความความใสของน้ําเลี้ยงหัวใจน่าจะแผ่กระจายออกมาทางร่างกายทั้งให้ทําให้ร่างกายเราผิวพรรณวันณนะหองใสหน้ามีน้ํามีนวลเ อ, อิบอิ่มเบิกบานเพราะจิตใจของเรามีความสุขร่างกายของเราก็จะเือนไปด้วยก็จะทําให้ร่างกายของเรามีพลังมีพลังของ มีความเอิบอิ่มเบิกบานผิวพรรณวันณะของใสเพราะจิตใจของเรามีความสุขแต่ถ้าเราจิตใจของเรามีแต่อารมณ์มีแต่ความทุกข์มันจะเกิดความเครียดเกิดความหน้าดำามขืเครียดหน้านิ้วหิ้กหมวด น, น้ำเลี้ยงหัวใจมันจะเป็นสีสีน้ำล้างเนื้อทัวไรอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องรักษาตัวนี้ให้ดีเพราะอายุของเราจะมั่นคงยั่งยืนถาวรก็เพราะไม่มีโรค ความไม่มีโรคเป็นลาภันเป็นเสรดดังนั้นเราต้องอย่าไปทานอาหารอย่างที่หลวงปู่ว่ามาคืออย่าไปชอบทานหวานชอบทานอาหารเค็มชอบทานอาหารรสจัดต่างๆเหล่านี้เราต้องเราพยายามอย่าไปอย่าไปทานเพราะว่าจะเกิดโ <c oughs> รคสิ่เหล่านี้เพราะเบาหวานมาแล้วมันชอบจะเรียกเพื่อนมาเพื่อนมันต่างๆมันจะตามมาเยอะแยะเลยดังนั้น เราต้อเราต้องควบคุมเรื่องเบาหวานให้ได้เพราะว่าหมอจีนเคยบอกลุงปู่ไว้ว่าลุงปูงป่อายุเท่าไหรต่ตอนนี้ตอนนั้นอายุลองปู่ห้าสิบหาโว้าเกินสี่ถ้าสี่สิบขึ้นไปหรือสามสิบห้าขึ้นไปอย่าไปฉันหวานนะลุงปู่นะถ้าไปอะไรของหวานของชอบบอกท่านเอาอไม่ได้ไมเบาหวานเน่ยคนคนแก่อายุตั้งแต่สามสิบห้าสี่สิบขึ้นไปเลยกลับมันจะพลังมันจะไม่เหมือนกับคนเด็กเหมือนคนหนุ่มเขาเออ ตับมันจะไอไอไอกําจัดน้ําตาลออกจากร่างกายออกไม่หมดมันก็จะตกค้างาร่างน้ําตาลตกค้างในสายเลือดมากๆเข้ามันก็จะเกิดเปโรคเบาหวานถ้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคอื่นมันก็จะตามมาเยอะแยะหลายอย่างว่านะต้องบอกเราก็เลยจําอันนั้นไว้เราก็ตั้งตั้ ง, ตงแต่ห้าสี่ปุริเราป่ป็นเบาหวานตั้งแต่ห้าสี่ปุนมาตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ค่อยฉันฉันกันอยากอดไม่ได้จริงๆเอช้อนชอนหนึ่งครึ่งช้อน อทุเรียนเขาก็ไม่ให้ฉันไอ้ไอ้มะขามหวานเขาก็ไม่ให้ฉันแล้วก็ร่อนใยเขาก็ไม่ให้ฉันนี่จะของหลวงปู่ชอบทังนั้นเลยก <c oughs> ็เลยก็เลยถ้าจะถ้าจะฉันก่อนเม็ดหนึ่งมะขามก็ข้อหนึ่งไอ้ร่อนยก็เม็ดหนึ่งแล้วก็ไอ้ทุเรียนก็เม็ดอย่างเงี้ยเขียนจินอย่างนั้นแล้วก่อนโอ้ยฟ้าบาทหนึ่งก็หมดเดีวก่อนนะเป็นอย่างนั้นเราต้องต้องกกคุมเราต้องดูแลตัวเอง อย่าไปปล่อยไปตามอำนาจของความอยากของตัวเองอายุของเราจะสั้นดังนั้นเราต้องเพราะว่าโรคไข้ไข้เก็บทุกอย่างมาาาันมากับอาหารนแปดสิบห้าเปอเซ็นต์มันมากับอาหารดังนั้นเราต้องควบคุมแลากจะมีอายุวันนะะละสุขภาระดีเราต้องทำํำเองทําเอาเองขอพรจากพระท่านก็ให้ไปทำทำเรื่องทำราวแต่ถ้าเราไม่รักษาถ้าเราไม่รักษามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขอไปก็ดีดังนั้นเราต้องควบคุมตัวเองเอ ง, เองด้วย เรื่องอาหารเราก็ต้องควบคุมเรื่องจิตใจเราก็ต้องมันภ <c oughs> าวนาพุโทโธหมันละปล่อยวางอารมณ์ต่างๆถุกความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราหรือไม่อยู่ที่อื่นเราต้องทําจิตให้นิ่งจิตให้สงบจิตมีสมาธินั่นแหละเป็นจิตประเสริฐเป็นจิตพระอรลัยเจ้าพระพุทธเจ้าพระอาลัยเจ้าท่านโลคิตพิทูรู้แก้งในสภาว่าธรรมทั้งหลายท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านปล่อยวาง ท่านก็เลยมีสุขโตตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขยืนเดินนั่งนอนในอริยบททั้งสี่มีแต่ความสุขทำไมก่อนพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระอยู่ด้วยกันทีละสอง0ห้ารลูก3า0 0ันลูก5้าพันลูกเข้าไปในวัดเหมือนกับป่าช้าที่ดิบเงียบเหมือนกับอะไรเพราะว่าแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านก็รักษาจิตของใครของมันไม่ปล่อยจิตไปยุ่งเกี่ยวกับกันและกันท่านก็เลยมีความสุขทั้งสงบ เมื่อสงบมันก็เป็นสัพายะน่าอยู่หน้าอภิรมน่ารักน่าอยู่น่า <c oughs> นั้นฉะนั้นพวกเราเราก็ต้องรักษาจิตควบคุมจิตดูแลจิตเอาใจใส่จิตชำระอารมณ์ออกจากจิตให้เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์พุทโธนี่ลหละจะพาให้เราไปสวรรค์พาให้เราไปนิพพานก็เพราะพุโทโธังนั้นหากันตั้งใจต่อไป